คือ่อจริงๆเฉลยในคนไทยเรื่องสินงแว ท่ า, ายังคุณมอแลว้วก็ยติธรรมที่อยู่ที่นี่ทุกท่านหรือท่านท่านไม่เยนะ่ะเดินทำหน้าบูโรกันก็รานั่งรู้สึกตัวกันประมาณชั่วโมงเต็มๆอะ่ะผมม่ติดตั้งใจว่าชั่วโมงหน่งชั่วโมงเริ่มอยู่ประมาณหกโมงสิบนาทีตอนนี้ก็ทุ่มกันประมาณสิบห้านาทชีชั่วโมงนีง่ะเฉลี่ยแล้ว เป็นยังไงกันบ้างเลยหนึนชั่วโมงของสมุดบัรยัติวันเสาร์ตอนครดขั้ที่1นตุลาหรือว่าอาทิตย์ที่ไ ท, ทยเาไปวันที่สองตุลาคมเม่อีอาทิ่ยทยว่าตรงที่ว่ารักยาวใหฝันรักษั้นที้ต่อเป็นสมนตนไทย รักยาวก็ได้รักยาวไว้ให้บานคือมีความสุขตัวมีปกติยาวๆแล้วบ่นบบความคิดที่มันเป็นขยะบันออกไหมไมีก็ร เ, เป็น ไ, นหไดหรือหลวงพ่ไปแล้วปุดบเราฟังตัวสอง คาคิดจะสั้นๆบันลงบันลงบันลงอาจจมีความทุกข์สั้นๆความคิดสั้นหรือเัวตนสั้นนครับตอพความสึกนะ ต, ตัวยาวๆเคยเห็นสัตจุกุน สิตสบายก่เป็นญาตกกิารักฝาดทุกคนนะึงราชบัณฑิติของคนไทยสถียนโพลวันปกอันนี้ก็เป็นญาติเป็นพี่เป็นที่เป็นน้องกนะันตายแล้วไดพูดคิดชอบใช้สมนอยไทยพ่อคำเขีย็ชอบใช้สมนวยภาาไทย อันน <emment> ี้ก็หายไปแล้วคำพูดพวกนี้ที่นี่ก็คนสูงสุดไม่เปฏิบัติที่ปฏิบัติกันทุกวันทุกวันสูงสุดก็ประมาณสิบสาคนที่ยืนพื้นที่นี่ในอเมริกานะยืนเืินก็อยู่ประมาณสิบคน คือแปดคนประมาณดกันลาป่วยบางลากิจน่ะลากิจไม่ถึงดูรูปดูหลายส่วนใหญ่ ก, ก็เป็นหมอเหนนะหมอก็เสียงลูกมีลู ก, กเรื่อะไรหลานหลานป่วยก็นก็งือรือล้นวนออกความรู้ความสามากไปดูหล า, ลายลากิจแห ตรงนี้ก็เป็นช่วงที่มาไปถึงนู่เลยตั้งแต่สามสิบถึงสิบเดลยพอดีระว่าโปรแกรมเราจะไปด้านนี้โน่นประมาณครึ่งเดือนทันเองจะเหลืประมาณห้าหกคนที่มากันมีความสนใจเมื่อ2วันก่อนก็ไปที่ดิลิโดนนึกไม่คอยออก ผมก็เชื่อได้วอาฟองแบบหยุดไปนิดนึงแล้วมันจะให้ความคิดนั้นแหละมาถึงหิบมาบอกเราอดทนฟังมาแล้วเนยไปที่บ้านมีก็ประมาณสิบคนสิบค น, นไปรวมตัวปฏิบัติที่บ้านก็เห็นว่าเดิก็มีความก็คือรุนกันนิดมันต่อของเก่า ที่โหลดหรืะะอยาวให้มาหรืสั้นให้ต่อเนียมันไม่มีใครที่เหมือนจะจะไปปลุกในกวามัน่นคกมั่นใจทางใ้ใจเนี้ยไปตรงไหนก็นไปชวนกันทำอะไเมื่อไหรก็ตทมชวนชวนไปไปปลุรู้สึกัวรู้สึกกลัวจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนรู้สึกตัวกัน ดูดูการประเทศไทยกับที่นี่ไม่เหมือนกันถ้าติดรสชาติอาหารแบบไทยๆ ท, ทำกันยังไงอย่าติดผักระเพราอย่วากผาอย่างเ ง, งี้ยผักสวนครัวอะรอย่าเวลามันหนาวยิ้มใบมะโรงนะผักไทยนะครับเราโผงไปมะกรู่ ไปได้เห็นวิธีการอยู่การเอาตัวรอดของคนไทยเศรษฐศาติ์แบไทยไทยในอเมริกาใน ว, นวันที่ไปก็เขาก็ามามาเรียกนกอาหารอเมริกาแบบหรั่งแซนวิเสื้อหมู ปรับตัวตลอดเอยูยปรับแฟนปรับใจอยู่ตลอดเป็นรูปหมอบางคนก็นเลือกรูปที่หล่อที่สุดสวยที่สุดครอบครัอุดมที่สุดครอบครัวนะ เรงนนะมุมงที่ไทยเหมือนกรราตาลาเหมืนอนแคดเดนเหมอนจีนเลยเดวิเกียงเคยเห็ น, นไหมเดวิเกียงเลยรู้จักไหมลุนเนี้ยรุนเล็กนี่รู้จักไเดวิเจียงนะสายหัวมันคี่พูดไปคือเป็ น, นวารยุคโวลสมัยภาษาการเปรียบเทียบ พอลูกเป็นความอุ่นแลสวยงามตัวจริงหัว่าโขลนเป็นไอ้แยงหมดละผมรู้แล้มันแก่แล้วที่บ้านเราเนี่ยลูกเสียสวยไวโชวอะไรดีเอาออกแน่อะไรไม่ดีไว้นหลแต่เดี๋ยวนี้อะไรไม่ดีมันออกออกแน่ไอ้ดีๆอยู่ไหนก็มาทําพูดไปดีเนี่ออกแน่ อารมณ์ไม่ดีเนี่ยออกแน่ของไม่ดีเราเก็บซ่อนไปที่ไหนก็นไม่ได้หรอกเขามีการปฏิบัติธรรมกันต่อยอดต่อยอดเกริดกันมาจนถึงสมัยไหนก็นน่ำตาลทำเป็นน้ำตาลเพราะว่าอารมณ์ที่มันมาปลุกแล้วอารมณ์ที่มาเยอะอยู่ มันไม่ีเหมเงียบเับ่วมงสงพออยู่สบายสบายที่น่อยู่สบายถ้าที่ดูอากาศก็สบายวันนี้ที่นีไม่ต้องเปิดแอร์เลยทีเียข้างนอกเป็นยัไม่ต้องเปิดแร อ, อ, อ, อ, อดแร์สบายสบา ย, ยอาหารมันสบายอาหารนี่นนเยอะแยะหมดเลยอาหารที่รากทานได้ ของเรามันได้แบบที่บ้านโมจะสุดสบบยอดส บ, บายสปาแ ย, ยถ้าที่ดูห้องห้องรดนจอเนี่นมยมันก็เป็นสปายยกนะอนย่างที่เห็นนี่ของวินใช่ไหมทวีนนยของนัาพทยใช่ไหมนักพทย หมอมาพิทิพงมาอะไรรู้เนี่ยที่ทักนี่ทักผู้ชายผู้ชายก็มีทรร ม, มุนดีดีอยนะาหลายคนนะทุกคนจะก็ะเลือกทอยู่สบายที่นี่ก็สบายห้องนี้สบายจะมีเสียงบ้างคนรอกสบายแต่ข้างในจะสบายบางทีไอ้บ้านไม่สบายนะคอไม่สบาย มีคสบายลงามีวิธแก้น้ำหูจะเป็ มีนั่นมีเดินมียืนมีนอนให้เจออาการข้างในอย่างเช่นเมื่อกี้ดูเห็นเอ อ, อเห็นอาจารเรื่องห่ายอยู่เห็นใครสักคนหนเนียหรือสองคนในที่เดิน ไปบนเพดานเป็นไปแบบออกแมาเหลือแล้วเสร็จแล้วมานั่งอยู่ตรงนี้วงแล้วก็มีคนสองคนเราสังเกตได้เยคอาการที่มันเกิดขึ้นมาเราฝักเสกฝักไขมันเราแก้ไขทดลองแล้วฝัเป็นักไขมันแทนเรแก้ไขแล้วก็รู้สึกอยู่ได้ เรียนบวชใช่ไหมเนี่ยกายยานธรรมนตัวเนี้ที่พูดถึงกวามเพิ่มเรามีวรรยากาศของกายยานมิตรนะมาดูร่วมกันบุรสงสารวันละสชั่วโมงกายยานมิตรไปทายานที่เสื่อมก็ได้แต่กายย า, านธรรมมันเราจะรู้ได้ยังไงต้องกลับมาหาความรู้สึกตัวให้เป็นทำให้เป็น อยู่ที่นี่ก็เลยได้ได้ประโยชน์จากตรวนี้เนะี่ยมีวันที่มานี่ตอนไปเมืองไทยของคนที่นี่นะไปทุกฝรั่งก็ได้เมียไทยแล้วไปยเมืองไทยวันที่กลับมาที่นี่ก็เขาบอกว่าจะมาหาวี่วัด น, นะก็าย้ำเห็นนะเลยให้คนไทยที่เป็นเพื่อนกันกติดต่อเขาก็ส่งมาว่าอ๋ออยู่ตรงนี้อิเดียแน่จ้ะ นี่ไปอีกระดับหนึ่งแล้วข้ามไปประมาณสชั่วโมงเสร็จแล้วว่าพอบอกแล้วรู้ตำแหน่งของการางนี้ของเราอะไรเราก็ห า, ววาข้อบนมาจะไปอย่างไรจะมี g ูเกิลแแบบใช่ไหมพอเข้าไปใน Google แแบบาก็จะดูเห็นหน้าบ้านเลยเหมือนกับไปเที่ยวบ้านที่จริงๆเลยมีรถใช้รถกีหาอะไรหน้าบ้านชมเป็นชวงแบบไหน ไม่หรือตรงไหนมันพาเลยเปลี่ยนเหมือนกความรู้สึกปวดเวลาเราเคลื่อนไหวในรู้สึกการรูปแบบแล้วมันพากับคืนสู่ที่เรียกว่าความผูอุ่นภายในการยนต์ธรรมรู้สึกปลอดภัยรู้สึกเป็นกปกติอยู่ได้ปกติสุดสมหได้ การยร ะ, ยะทำถ้ามีอยู่แบบเดียวเนี่ย ค, คือใช้กายเวลานาจิตทงคือเวลาพูดถึงธรรมแล้วาการกรทำมล้ก็เป็นธรรมชาติแต่เวลาเจอคนใหม่ที่นี่นะอเมริกาหลายคนถามเรื่องพญานาคีติงไหม ถามเรื่องกรรมที่ทำไปแล้วมันจะเป็นยังไงโดนแล้วก็ไปบีดีอยนะครัีดอยเมื่อเมื่อวันเสาร์ก็พูดถึงเรื่องกรรมเป็นกลุ่มของหมอที่สิ่อแรกเรื่องกรรมมีคนคเคยเียมว่าในชาตินี้แต่ว่าอดีตในชาติที่ทำนั่นมีรุ่นล้ จริงไม่ผ่านฆ่าสัตว์เนี่ยสัตว์มันจะเอาคืนไม่ไปฆ่าไก่ฆ่าโั้กับรดทนสุนัขอะไรนีม้มันจะมีผลในชาตินี้ไหมเสรุยเรื่องกรรมกเรื<ม>่อกรรมดีกรบชั่วที่ผ่านมาสรแล้วยายานชวนให้กลับมาตามมาฐานชวนมารู้จักธรรมชาติที่มีอยู่จริงในขณะนี้ เถ้าจะแก้ก็แ ก, ก้เดีนี่เป็นเอาโหติกรรมอะไล่ทุกคนจะไเลขทำดีทำชั่วงไม่มีใครพูดหมดตัั่วสุดๆแบบนีไม่มีใครพูดหมดนะฮะก็เรามไม่รู้ว่าจ ะ, ะ, ะเจอมิตประเภทไหนเป็นมิหัวกระจกเนี่ยมึงจะทำอะไรเรเใครมีไหมีิหัวกระจกใครมี้ห คนข้างนอเพื่อนเราที่เป็นหัวจบมเป็นอย่างนี้นหมนักทถ้า์จะมีเพื่อนเป็นวิศวะจบะจกไหมกระจกจะแจโดยยังไงรู้อออว่าเออเป็นแบบอนะไอ้เขาฝาอะไระ เวลาเราไทนสตรีมาได้ประโยชน์ครับ เออโยนที่อยู่ที่คอนโดโยนอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ตรงร้านกาแฟตรงเนานะอ๋อที่รรมาเก็ตสินเนี่ยดูไม่ออกอเลย เป็นยไง เกิดบันะันแล้วก็มีอีกมิดวงทายที่หายทายเสื่อมอันนี้เยอะเลยมิดปอกรอบก็มีมิ ด, ด, มดปอก ร, รอบเป็นเงิะคือเนปะ็น ม, มิดที่ให้น้อยเอาเยอะปอกรอบให้สิ่งที่มันเกิดพูนเลยไม่ได้เวลา เอ่ยปากให้น้อยอไม่เหมือนอย่างมีแท้มิ ต, อ, ต อ, อุปถัมภ์ควรคงท่านไออีกนั้นก็เป็นมิตรประเภทชวนเราแบบไปทานทีมน่มันเสือ่อคือพูดแล้วไม่ทานไอประเพน เป็พูดพูดดความหลังเยอดแต่เวลาทําจะทาไม่ได้อย่างนี้พูดเอาแต่พูดเราสมปรายีเราสมปรายีอะไรไมได้นไนดเนี่ยพวกนี้ก็คือระับของวัฒนธํทามที่เรา ม, มีอยู่ความคิดจะเป็นประเภทนั้นนะความคิดนี่เชื่อไม่ได้นะครับเปรียบเทียบอะไได้ความคิดทาไมเชื่อไม่ได้อย่างเราเห็นโลกจันทร์เเนเดิน ท, ทางมาประมาณ 1.4 นาทีส่วนพระที่เนี่ยแสงพระที่เนี่ยมันห่อยเดยินทางมาถึงเนี่ยรวตาเราแม่เนี่ย8นาทีโดยนี้วาาิศวกรรมดาราศาสตร์ที่สมกล้องออกไปวงโคจรประมาณ 1.4 แสนกิโลเมตรให้นึกถึงเครื่องบินนี้ประมาณ 9.2 กิโลเมตร ไอ้ น, นี่ 1.4 แสนกิโลเมตรสองเห็นหกสุดแล้วจากวาศมากมายที่มันแสงเดินทางมา 4,600 ล้านปีแสงเนี้ยแต่ยังเห็นป ร, รากฏการณ์เดินทางของแสงอยู่แต่ตัวจริงเกิดแรงหายไปแล้วก็มันในความคิดเงินมีชิดโอ้มันอย่างเช่นบอกไปอินรอยเมื่อของวันก่อนเนี้ย มันมันเกิดดับไปแล้วแต่ยังมีลักษณะครึ่งอยู่ในหัวสมองมโนภาพยัมีอยู่ในหัวสมองภาพรูปตายนั่นเองนั้นวันทั้งวันเนี่ยภาพทิพย์ตายโผลเป็นรูปรอยความคิดหรือมายาหรือว่าดราม่าทั้งหลายในสมองมัเกิดเยอะที่ผ้าวิจารเยอะมากเมื่อวราปฏิบัติอยูก็เลยได้เห็นแบบยาวใหลับบสั้นให้พอ รู้สึ ก, กตัวร์วนั้ น, นายใุกิจชีวิตมันก็เลยอยู่กับปัจจุบันที่ไม่เราใช้ความคิดอะไรเียเจออะไรอะไรว่าเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์อย่างไรสองอยู่ปัจจัยสี่ปัจจัยเสี่ยงปัจจัยสี่เกิดตั้งหกสี่ว่าใช้ยารักษาโรคเนี่ยเดี๋ยวนี้มีห้าเจ็ดแปมันก็เียนรู้ปัจจัยที่ห้า ถ้าเป็นเมืองไทยปัจจัยที่ห้าทต้ตของคุณเคยเอาไปทำให้สปออร์โฆษณาหรือไอ้ปั้องขึ้นมาเลยนะคุณหมอไอ้ที่มันเป็นตาเสือเโซโซ่โซคุณหมอขายเอโซ่อยู่ม่ที่มงไทยเมื่ก่อนเลิกแล้วเอซโซ่อยู่ได้วน่นอนมีคําเอโซ่เมืองไทยเคยไปอบรมของเอโซ่ ที่ตึกชื่อตึกอะไรวะเป็นบริษัทเโซลยูซองที่ตะพนน้อยกับที่เห็นพนมากที่เอเนจีออส a r ีใช่ไหมก่มอนโลแกนเนี่ย<ม>เห็นก็ติดอยู่หน้าประตูลิฟต์ยังจำไม่ลืมเ<ม> <of> อเนจีออสเคียโอ้โหเป็นโฆษณาเนีมีคนคิดคำโฆษณาฟุสเตก พอหสติเสร็จอะเหตุจลแกลนี่ออกมาเพราะฉะนั้นพลังงานที่ออกมาจริงๆในตัวเราก็ต้องเป็นปัจจุบันใช่ไ้มเป็นพลังงานจากปัจจุบันพลังงานนี่แบบันระหรือแบบร้ายนั่นแหละมันเป็นลักษณะของคุณธรรมที่กระทัจิีวิญญาณพระพระคือใจดีเนียคุณธรรมมันเป็นความดีความงามส่วนความจริงเราเรียกว่าพระอริย ใครเห็นความจริงพอเราเห็นความจริงจริงๆด้วยนะเห็นความจริงจริงจริงใ น, นกา ร, ร, รกสัมผัสไม่ได้คิดเอาเราสติหรือความรู้สึกตัวทดลองเปิดมันจะเป็นอรู้สึกได้ทดลอง ว, ว่าวิญญาณมาทํางานโดยมีสติหรือได้นั้นวิญญาณจะอยู่ในกรอบที่เป็นร่างแต่ สัตว์แล้วก็เกิดคนมองสัตวัตต่ว่ารู้เฉยเฉยนั่นแหละภาษาคนนี้เราเห็นคนรุ่ใหม่ก็าใช้เนี่ย่หเียยหรือพ่อเขียนเขาเห็นคั้งแรกก็ว่ารู้เฉยเฉยที่วัดป่าสุตโก็เขียนไว้แต่ไม่รู้คืออะไรเนี่ยแต่ก็เดินผ่านทุกวันแถวงมาทําวัดก็เดินผ่านใต้เนี่ยเย็นกับไซคุติเจอใต้ได้อีก รู้เฉยเฉยสิแต่ยันเราเชียนว่าคนเลี้ยงไก่ที่ไหนไครเล็เปล่าทุกเม็ดข้าวของไข่นลือดเป็นเมื่อหน้าคนเกือกโงแก่เราเข้าตำลายย่องคาดหน้าสิ่ง ส, งสองต้องระวังเลยเดินผ่านทุกวันเห็นแล้วไม่ทำมันรู้เฉยเฉยออกไปจะโอ้ห้อยตุกนี้คือรู้เฉยเฉยรู้สึกตัวอีกน่าเลย จนอ๋อเหตตรงนี้นี่เเข้าใจสภาว่าไอ้ เ, เรื่องของเขีย น, นไว้จบป้ายมันก็มีประโดยดแบบนี้แล้วนวันนี้เราดียินได้บังอะไรไว้ครับเสักวันหนึ่งผมจะของเราให้กันได้เรื่องของการสอนต่างๆม า, ๆากามายที่รว่าดเอกาแมโควิสุทธิยาคานเอกผุนทางเดียวเอกาแมโค มาตั้งทานนนทางเดียวไปสู่ความบริสุทธิ์เราเรียกพระจรรโดยสิ้นเชิงนก็คือการสุกสติปัญญาเราเลยไดมาเจอกัน้มีเรื่องแห่จ้เรื่องความรู้สึกัวเรื่องใจสติเรื่องเนียวแต่รอื่นก็ทำเพิเติม่เาไมันเป็นบาลมี ใช้ชีวิตจากที่นี่ไปบ้านหมออย่างเ ข, งขงาพูดสัตว์เนที่นั่กข้างที่นั่งเน่ยก็เป็นบ้านที่เรียบร้วันแล้วก็ไปผู่มหมอที่อยู่ทางดีน้อยนี่นะโอ้บอกเขาเลยว่าเนี่ยถ้าอยู่กันลักสนั่นเะนี่ยนะอยู่กันสองคนสามีภรรยาแล้วก็อยู่กันรักษณะสิ่งแวดล้อมแบบนี้บ้านแบบนี้ก็เลยหาแบบนี้ ต้องใช้คําพูดดีๆเช่นหมอชันผู้ชายกับภรรยาค่ะมันอยู่วันมันมีอยู่บ้านทำธรรมดาธรรมดาในใจว่าไปทะเลาะกันหรือแต่ว่านะ่ถ้ากระถามว่าเนี่ยต่อหน้าแท้ต่อหน้าเพื่อนๆมีอะไรจะพูดกระถามหมอแบบตรงไปตรงมานะมีอะไรไหมที่มันจะต้อง พูดคุยกันต่อหน้าคนที่ไว้ใจได้คนมีคุณธรรมอะเขาก็บอกเลยนะเนี่ยขนาดที่มีโยมอยู่เนี่ยเขาก็ขอพูดนิด น, นึงเป็นหมอผู้ชายนะไม่เมอ่ยชื่อก็บอกว่าต่อหน้าภรรยาเนี่ยนะก็ขอพูดเป็นสัจจริงเลยว่าถ้าภรรยาตายเยนี่ย ก็ขอมีแมมีอะไรอีกคนเออคู่ต่อน้าเลยะเยอะถ้าบอกเลยนะต่อหน้าเป็นยังไงก็คงต้องอยู่คพราะเมียไทยยังไงต้องอยู่ทีเดิมแตจะทำในไหวในบ้านจะมีช่วยกันคนละไม้คนละมือบ้านแต่คนนี้ดัดสวนแต่คนนี้ดูแลงานหนักแต่คนนี้งานเบางานเกลวันนี้ สองคนน่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันอยู่คนเดียวเลยแน่นั่ขออนุญาตนะขออนุญาตมีคนถ้าเธอทายก็กระปวดกระกองดีนะส่วนนี้ยถ้ยิ้มนะแต่ไม่รู้ว่าหลังจากพักมาอะไรจะเกิดขึ้นอะบราเนี้ยหลังจากจากกันหมดสองคนอยู่จะสะรลาะกันต่าไม่รู้ แต่ถ้ารู้สึกตั ว, นะวลแล้วไม่เป็นไรก็ดูแลควบาผมจะคุยด้วยความมันสุดใจบางทีเขาก็ไม่ได้มีการพูดดีๆไว้เรีย ว, ว่าโลกสวยอะไรนะก็ใจเป็นอย่างนี้ก็พูดอย่างนี้แหละก็เลยเล่เาไปฟังว่าสมัยก่อนในะอยู่เมืองไทยเนะี่ยมก็มีคนแก่ๆคนโ่กติ่นหลังเสียนแะล้วเ้าก็ มาวัดกันเป็นคนแก่คนเฒ่าที่ที่อยู่คนเดียวแล้วก็ภรรยาตายภรรยาภรรยาที่รักกันมากแต่ตอนหลังนี้ก็คือเขาก็พาภรรยาคนใหม่เข้ามามาวัดลูกสาวก็ถึงผวงแกงแม่ที่ตายไปก็ห้ามพอ่อบอกว่าทำไมแก่แล้วไม่เข้าวัดนะพ่ อ, พอ พอกระเข้ากินเนี่ยนะพ่อพาแฟนใหม่มาด้วมาที่วัดเพราะฉะนั้นที่ทําห้มันก็เป็นเรื่องที่เราจะได้พึ่งลองดูนะใครก็ทานที่มันมีกําลังใจกำลังความเป็นพลังอยู่คนเดียวได้มีควา ม, มนแน่นมีความมั่นคงแล้วก็มีพลังันโดูที่ว่ามันเรียกว่าสนดูใช่ไหม ใช้เท่าที่มีเท่าที่จำเป็นส่วนใหม่ใหไรเป็นส่วนเกินก็ลดน้อยลงไปเด็กที่เราไปพูดตอนวันแรกๆว่าตอนมีชีวิตก็ซื้อกันว่า เ, นเนยอะๆหมดแต่พอหับตายไปแล้วจะไปไหนที่วัต น, นี้ก็เลยมีมีของผู้วัยชนผู้ที่ลงรับไปแล้ว แ้ก็เป็นเรื่องของวัตถุสลายยาสุดเกินท้ายสุดเราก็ไม่ได้ใช้เลย <c oughs> น้่นนรา่างกายของเราว่าท้ายสุดก็ต้องปล่อยวาง้ว่นแหละร่างกายของที่อยู่กับตัวเราที่เราต้องดูนั่นเดินยืนนอนกินขับถ่ายไปด้วยกันพอหลังจากถึงจุดหนึ่งดินสุ ด, ดินนะถุนนะลงถุดลงไปสุดไป าเป็นเพื่อนคาเป็นชายย่งมีแคก็ต้องใช้การ ท, ทำมาแทนทายสุดมีใครช่วยใได้ในท้ายสุดน้ลมหายใจหมดเ่หมดในตัวตัวเองครับมีหม อ, อาถามเหมือนกันสวรรที่ไปในน้อยกรถามว่าผมไม่ยกมือได้ไหยผมไม่ยกมือเป็นคนที่ไม่เคยรึกมากลอน ผมเคยบวดมากก่อนแล้วก็เคยปฏิบัติมาก่อนขอดูลมหายใจได้ไหมเขาตอบว่าก็เคยฝึกมาทางลมหายใจยั่ม่เคยฝึกอาจารย์ท่าหายใจเข้าหายใจออกนาปานสิกลบปุถุสิง เขาพูออกโทรสายทุกโทรก็เคยฝึกแม่ยกย่างเหยียบหนาะก็ปึกแม่ยม่เคยฝึกก็ไม่ได้ดีตรงไหนก็ยังไม่ดีตรงไหนแต่ว่าเพราะฝึกเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเลยเห็นว่าสติมันเกิดได้ไวส่วนตัวนะรวมหายใจใกล้กําหนดมันก็เคลื่นดีสมบูรณ์สิแต่ว่าคอ การเคลื่อนการไหวเนี่ยโดยพามือแบบแนวเคลื่อนไหวเนี่ยมันทายความคิดได้ไหวแล้วก็พิสูจน์ได้ถ้าสติขาดเหนื่อยนะมือมันตกเลยนะมาเปี่ยวมแดงกำลังใจมันไม่พอมือก็ยกไม่ขึ้นมันฟองเลยสติอต่อนหมสักนิดนึงคิดฟุ้งซ่างสักหน่อยเนะย มันลืมไปเลยการยกมือร์ทสี่หและการยกมือร่สี่จวัดแต่ละจังหว่ามันมีเจตนากรรมรูเจตนาคือกรรมเจตนาคือกรรมกรรมฐานจะต้องมีเจตนาแล้วก็กรรมดีให้ผลก็ต้องมีเจตนากรรมช่วยให้ผลก็ต้องมีเจตนาไม่งั้นมันเป็นโมฆะทั้งหมดโมฆะบุตรโมฆะสตรีไปเลยเป็นโมฆะจะทาอะไรไม่มีความสเร็จ เพราะนั้นให้ใส่เราใชตัวกรรตัวเจตนาเจตมมนาคือการมีผลนามทั้งปีงทั้งชั่วการมาถายไม่ต้องเจตนาเบิ่มเติมแต่พอทําไปทําไปเจตนาจะค่อยๆวัดตัวลดลงลดลงลดลงพอเจตนามหายไปอัตโนมัติก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยความเป็นปกติการมีกติอัตโนมัตินะเนี่ยมันจะไม่มีคำถามแล้วทาํทาอกรูปแบบมาทำเองที่โจทย์จะทำเอ ถูกต้องเลยให้ตอบเนื่องเลยตรงนี้เลยพอถูกต้องแล้วหมดคาถามแล้วก็ตอบเนื่องก็มีผลและพอใช้พื่งได้แพอใช้หเหมือนาเงินั้นต้องหาพื่งเองได้แให้พอใช้ด้วยพอใช้มันไปเบียดเบียนใคพอเราไม่ได้ทำงานมันก็ยังมีใช้ไหมอส่สื่อชวนิการที่เราต้องเรตรียมตัวไว้เนี่ยว่าพึ่งตัวเองในเรื่องปฏิบัติที่เราต้องพึ่งตัวเองนะ ว่าารวตัวกัจะทำให้สร้างกลุขึ้นาบรรยากาศขึ้นสร้างสิ่งมารอนยมันก็ช่วยกัน้แค่นี้แหละง่ไมช่วยกันลตัวใครตัวเรามีเวลาทางบ้านเบียนจะถามไม่สักนาทีสนนท่นาทีสามตอบได้ ม, มแบกไปได้ไหเดยาแบกไม่ตายกัน โลตานะี่ะแโลตานดะ้หโลตาล็กรนิคมเออนี่ยนะเห็นไหมเนี่ยนั่น น, ะนั่นนะั่นบวมมือ้ปุ๋ยคอนซีเที่นีบวมมือไเห็นเอามาได้ายมโลตาีิคมแกถามเป็นไงบ้างวอนจาวะสบายใจดีไหม อยู่ที่นี่สบายใจดีไหมไหนสารทุให้รแล้วคำถามน้องตาเหยดิที่บาสารทุ่งอย่นี้ก็บอกเรื่องจิตใจผมสบายที่อยู่อะอยู่ทุกไหนก็สบายไม่มีปัญหาเรื่องจิตใจปัญหาที่จะมีก็คือ การใช้ชีวิตที่เราจะต้องเรียนรู้นะคือปัญหาการเรียนรู้เราเมืเรียนรู้ไม่จบไมิ้นเราจะตายแล้วมันก็จะเจอการปรับเนื้อปรับตัวปรับกายปรับใจอยู่ตลอดเวลาอย่างมาที่นี่ก็มาก็ปับกับอาหารกับวิธีการการอยู่ที่นี่ให้ได้ถ้าเป็นเมืองไทยกนโด อยู่คกลไม้ฉันพิจาบ่ายถึงแม้ถืว่าไปเดินป่า แ, แล้วแต่ที่นี่เราต้องประยุกต์ลยปัอันนี้ก็อยู่ตัวแนละ้สบายเลยอถามมาเร็วไม่มีก็จะได้แผ่นไม้ตามีคนใหม่หไหมมีคนใหม่หมเหมือนจะเห็นมีคนใหม่อยู่เปดกล้อมาดีนะ มีคำถามไมีีคำถมอะไรไมเนี่ย ใช่ยานี้นอ่านอยู่ไห้าอยู่ไหนเนี่ยอยู่แค่ค่ะอยู่แค่เอออากาศอยู่นละเน้าตาผมยาตทางอาตมาทางอิบางกะสองนะพวกมอญนะพวกเนี่ยนะอยู่คนละน้ำกันดูโกเออมีขาวแจ้งนิดนึงแจ้งว่าเดือนเนี้ยนะพอดีอาจารย์สนใจ งานที่กรุเทพเข้าไปเที่ออจาจจะให้เห็นจา์ผู้ค่าอะนะก็เลยส่งโยมสุนทรีให้ไปทำงานแทนกันที่โผร่แรกโยสุนทรีก็พวกเราพวกผู้หญิงพวกอะไรที่ว่างว่าก็ไปไปดูเองนะวันที่ปฏิบัติที่โผร่แรกไปใช้สถานที่กันหน่อพวกเรา แล้วคนที่ปฏิบัติเราลองเรียนรู้กนะันว่าปฏิบัติยังไงมันถึงผ่านอารมณ์เป็นขั้นเดือตอนเป็นขั้นเดือตอนนะให้โยมสืบไปโยมกันเองพาชวนกันทางเดี๋ยวใช้เป็นการพระมากเกินไปคําสอนอย่างนี้มันชัดมากเลยแต่ว่าเราไม่ปได้ทํากันให้มันชัดในใจเราก็ไปทํอย่างนี้เยอะๆให้อาบ้าเนาะ อะไรไมื่อทุกคนเกินเวลานั้วนะไม่ถาวรเพื่อพาแ่แผนเมทาลจกิจกรรมเดี๋ยวเราอาจจะพูดคุยกันนิดนึงก็ประมาณ5นาทีหลังจากที่แผนเมทานจบมาคาร์เมอร์แผ่นเมทาน May I be free from trouble. <coughs> May I look after myself a s e May all i n g beings be happy. May all i v beings be free from a n i m o s t May all i v i n beings be free from oppression. May all i v be beings be free from trouble. May all i n beings l o o a f t r themselves with s May all living b e i n be f r f o m stress and suffering. May all l i v i n beings not be deprived of the good fortune they have attained. All living beings are the owners of their karma, heir to their karma, born of their karma, related to their karma, and l d e t e n d e n t on their karma. Whatever they do, for good or for evil, to that h o t h e i r c o n t r i b May all beings be happy. Always free from animosity, may I share the blessings springing from the good I have done. May there be all good blessings. May the devas protect you by the power of all the Buddhas. May you forever be well. May there be good blessings. May the d e v a protect you by the power of all the d h a r May m you forever be well. May there be may the the all the be well. there be good blessings. May the d e t s protect you. l o t us bow on your d May you o e be w y Tara, s a m a n t b h a r a Buddha.